12. ทุพพจะสิกขาบทภิกษุเป็นคนว่ายากถูกสงสวดสมนุภาพครบรสามครั้งก็ยังไม่สละต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบย ต, ติต้องอาบัตทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลจัย 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษ